เมตตาเป็นอาการทางใจที่ไม่คิดแค้นไม่อยากให้ใครเจ็บปวดขณะที่การป้องกันตัวและบทลงโทษก็ยังเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทำอยู่มิใช่อยู่อย่างดูดายอภัยจริงจะโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกแกลงยอมยกโทษให้จะเก็บกดอึดอัดหดงุดหงิดขัดแย้งกับตัวเอง นี่คือสิ่งที่สามารถสํารวจตัวเองได้พระพุทธเจ้าสอนให้อภัยไว้ก่อนแบบครอบจั ก, กรวาลคือยังไม่ต้องมีเรื่องก็ทําจิตให้เปิดแผ่ไม่อยากเบียดเบียนใครอย่างที่เรียกว่าแผ่เมตตาแต่การมีเมตตานั้นต่างกับการยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําโดยไม่โต้ตอบเมตตาเป็นอาการทางใจที่ไม่คิดแค้น ไม่อยากให้ใครเจ็บปวดขณะที่การป้องกันตัวและบทลงโทษเป็นสิ่งที่ชาวพุทธก็ยังทําอยู่เพื่อไม่ให้ต้องได้ชื่อว่าอยู่อย่างดูดายเหมือนเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเงื่อนไขไม่ให้บางคนมาบวชเพราะบางคนบวชเข้ามาแล้วรังแต่จะกอ่อความปั่นป่วนยุ่งเหยิงและแม้บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ทําตามใจชอบทรงวางกติกาเวชชัดเจนว่า ทำผิดแค่ไหนลงโทษสถานเบาขั้นทำให้อายทําผิดแค่ไหนลงโทษสถานกลางขั้นเลิกคบเลิกคุยเลิกยุ่งเกี่ยวด้วยทําผิดแค่ไหนลงโทษสถานหนักขั้นประหารจากความเป็นพระและถึงแม้จะบวชย่างถูกต้องถึงแม้จะรักษาวินัยครบทุกข้อท่านก็ไม่เลี้ยงแบบธนุถนอมดังคาที่ท่านตรัสไว้กับพระอา น, น์คือ อนันทะดูก่อนอา น, น์เราจะไม่ปฏิบัติต่อเธออย่างทนุถนอมประดุดช่างปั้นมอดินที่ยังเปียกยังดิบอยู่แต่เราจะกระนาบแล้วกระนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกผู้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้นจึงจกทนอยู่ได้สรุปคือเมตตาในทางพุทธแท้จริงคือจิตที่หวังดีไม่คิดเบียดเบียนแต่ก็ไม่ใช่ยอมให้ทุกอย่าง ดังที่หลายคนเข้าใจผิดและพูดพูดกันครับ